จะไปเอาเรื่องของการสอบอารมณ์ไว้ช่วงเย็นก็ เ, เริ่มได้อารมณ์บ้างแล้วก็ช่วงเช้าก็จะเป็นการนำเสนอนะข้อคิดบางประการเกี่ยวเรื่องการเจริญสติในรายละเอียดต่างๆแต่ว่ากขาไม่ได้มุ่งให้จำนะให้เข้าใจเพราะว่าชีวิตของเราอย่างที่กล่าวแล้วว่ามันมีอะไรที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนมาก ไม่ว่าทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตเนื่องจากว่ามันเป็นเขาเรียกปฏิมีปฏิมากรรมธรรมชาติเป็นเนเจอร์โมเดลที่เราได้สืบทอดกันมาตั้งแต่เราเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําตั้งแต่เราเป็นน้ำมาเนาะเป็นน้ําก็สัตว์น้ําสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ําสัตว์เลื้คานสัตว์ปีกสัตว์อะไรมาเรื่อยเรจนมาเป็น ชาติพันธ์ทั้งเดิมของเราก็เลยลิงอุลังอุตังจลยาเป็นเราวันนี้แหละพัฒนาการมาเรืเร่อยๆนั้นก็เลยมันก็เลยสังสมให้ความซับซ้อนมาหลายล้านปีเนี่ยแต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็มีมนุษย์ผู้วิเศษผู้พิเศษก็ได้ได้มาค้นพบ ว, ว่านั่นคือการวิวัฒนาการของความทุกข์ ทุกท่านั้นเกิดขึ้นทุกท่านั้นตั้งอยู่และทุกท่า น, นดับไปท่านก็บอกสรุปในที่สุดว่าในที่สุดไม่ต้องมีการเกิดอีกทุกขาชาติปุณะปุนงังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกนาฏชาติปุรณะโวติพบใหม่ชาติใหม่จะไม่มีต่อไปที่ท่านได้สรุปเอาไว้ในธรรมเทศนาแต่ละกันของพระพุทธองค์เพราะว่าเราพบชาติใหม่เกิดใหม่เราก็จะต้องมาทุกใหม่ สัำซากนั้นนั่นเองพบของมนุษย์จึงเป็นซินเทอร์พอยที่จะแยกไปในภพภูมิต่างๆให้เขาให้เขามาให้ให้มาแก้ตัวว่าเราเคยเป็นอายภูมิเคยเป็นสุขภูมิให้มาทดสอบทั้งสองด้านนั่นแหละด้านมืดก็สุกติภูมิด้านด้านมืดไดแก่อายภูมิด้านสว่างก็ด้านสุกติภูมิที่ด้านเมื่อเรายังรักมืดก็ต้องตูด ถูกตีกลับมาที่มุมสว่างวันหนึ่งแล้วไม่ชอบความสว่างแล้วก็ตีปรับมาอยู่ในมุมมืดอย่ในที่สุดท่านบอกว่ามันมีอีกมุมหนึ่งที่เหนือมืดเหนือสว่างคืออริยภูมิเราก็เลยมาแสวงหามุมนี้กันตอนนี้นะให้รู้เป้าหมายด้วยว่าเราเป้าหมายมาฝึกฝนเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะกลับไปมุมมืดมุมสว่างแต่อยากจะออกจากมุมทั้งสองแหละเมื่อเรายังพอใจในมุมสว่างวันหนึ่งแล้วก็ตีกลับไปอยู่มุมมืด เมื่ราอยู่มุมมืดนานเราไม่พอใจก็ตีกลับมาอยู่ในมุมสว่างมาอยู่ในมุมสว่างแล้วก็ประมาทเพ้อเลยถูกตีกลับไปอยู่มุ ม, มือดอยู่งนะั้นน่ะเขาเรียกว่าสังสารวัตมุมมืดเรียกว่าอวัยภูมิแยกเป็นภูมิต่างๆสวรรค์ชั้นฟ้านะนระกเปรตอสุรกายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมุมสอมุมกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้นั่นแหละก็ต้องพัฒนาไปตามําดับ เกีการพัฒนาเมื่อมาถึงมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดอาศัยพบชาติพัฒนาตามลาดับอีกเพราะภูมิมนุษย์เป็นภูมิสูงสุดที่สามารถพัฒนามวนเดียวจบในชีวิตนี้เลยเพราะเขาให้สกิภาพมาอย่างสูงสุดล่ะแต่นี้ถ้าหาเราไม่มีการเรียนรู้ไม่มีท่านผู้รู้มาบอกเราไม่ไปพบท่านผู้รู้ไม่พบคําสอนของพระศาสดาเราก็มืดต่อไปอีกอ นี้เราก็เมื่อมาพบคําสอนของพระศาสดาก็เหมือนได้พบตัวพระศาสดาเองเพราะว่าท่านตรัสเอาไว้ว่าดูกรณานุนเมื่อร่วมการล่วงไปแห่งเราทและ ว, วินัยใดที่เราตรัสไว้ในที่ต่างๆธรรมวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาแทนตัวเราท่านไม่ไดมอบหมายว่าให้พระองค์นั้นองค์นี้เป็นาศาสดาแต่มอบหมายว่าธรรมวินยัยคําสอนทั้งในส่วนเป็นธรรมทําเป็นวินยัย ส่วนที่เป็นธรรมก็คือตัวปัญญาส่วนที่เป็นวินัยก็คือตัวสติถ้าว่าให้ชัดเจนขึ้นมาก็สติปัญญาใดที่มีอยู่แล้วอยู่ในมนุษย์ให้เราให้กฎเกฑ์และวิธีการพัฒนาสติปัญญานั้นขึ้นมาเป็นพุท ธ, ธะและเรียกว่าพุท ธ, ธจิตโพ ธ, ธิจิตอะไรก็แล้วแต่อยู่ในตัวเราแล้วทุกคนที่พระพุทธเจ้าค้นพบดังนั้นเราก็ไม่ต้องรังเลสงสัยอ่ะเพียงแต่ว่าเราจะพกคุณ เ่มพูนตัวพุทธภาวะของเรานี่ให้เติบโตให้ทันกายทันใจนี้ได้อย่างไรก่อนที่มันจะเสื่อมมันสลายมันจะแตกดับไปเนี่ยจะทําทันไหมเนี่ยอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นภารกิจของผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโชคมีบุญมีวาสนาได้มาหาจุดเนี้ยเราจะทําภารกิจนี้ต่อไปให้มันจบไหมขึ้นอยู่กับเราละ <c oughs> ถ้ามันภารกิจที่ไม่จบหมายของพวกเราก็จะต้องไปเวียนว่ายใจเกิดต่อไปอีกแต่อย่างน้อยนะถ้ามันไม่จบทั้งหมดก็ขอให้มันเริ่มต้นเพราะท่านแยกเอาไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดไปเหยียบปากประตูของอ่าพระนิพพา น, านคือพระโสดาบันเนี่ยให้ไปถึงจุดนั้นถึงจะไม่ไปถึงที่สุดนะให้ไปเหยียบ ธรณีประตูตรงนั้นให้ได้คุณประจวบได้เหยียบไปว้างเลยยังเหยียบไปแล้วก็ถอยกลับมาแล้วใช่ไหมห <laughs> นักกลัวใช่ไหมไปข้างหน้าเพราไม่มีเพื่อนเลยนะไปมุมมืด ม, มุมสว่างเพื่อนเยอะมากนะไปมุมเหนือมุมเหนือสว่างไม่รู้สึว้าเหยีังเองเลยเพื่อนไม่มีใครเลยแล้วแต่เราถอยดีกว่า <c oughs> นะเพราะฉะนัน้นนั้นก็เรียกว่ายัางไม่รู้จักยังไม่ได้เหยียบจริงนะเพราะฉะนั้นเองเราจะทาอย่งไรถึงจะไปเหยียบตรงนั้น <c oughs> แต่ว่าเราหากเราเกิดมาเป็นมีความพร้อมกันอนันนี้เราคงไม่พอใจแค่นั้นนะใช่มไหมไปเหยีบประตูธรณีที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปมันถึงจะปลอดภัยเหยีบประตูที่หนึ่งลดทุกเหตุของทุกลดลงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเยีบประตูธรณีที่สองชั้นที่สอง้าไปทุกลดมาห้าสิบเปอร์เซ็นตเหยีบประตูที่สามเข้าไปทุกลดลงมาถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตเหยีบประตูขั้นที่สี่ก็หมายความว่า ไม่ต้องกลับมาอีกเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เรามีความพร้อมขนาดนี้มันน่าจะได้เหยียบเข้าไปถึงขั้นใดขั้นหนึ่งนะทั้งสี่ขั้นถ้าไม่ได้เลยก็เรียกว่าภาษัยสานว่าขีล่ยี้ไล่ขึ้นไปภาษาอีสารค่าขี้ไล่หมายความไม่เอาไหนเข้ากันนะเป็นมนุษย์ที่ไม่เอาไหนสมควรที่จะทุกข์ต่อไปอีกหลายหมื่นหลายแสนชาติแล้วกันสมควรแล้วที่ต้องทุกข์เพราะนั้มาเห็นใครทุกข์ๆกันมาก็ไม่ได้ อาเซจยนอะไรเลยนาะไม่ตงธรรมดาออกมากแต่หน้าที่ของเราคือชักชวนลงมาทางที่ไม่ทุกข์บ้างถ้าเขาใส่ใจเสดงว่าเขามีวาสนาอยู่บ้างถ้าเขาไม่สนใจเลยก็ปล่อยไปตามเรื่องเราเวลาร้องหงุดหงไให้ก็ไม่ได้ไปอีหนังขังขอบอะไรละไม่ได้ไปสงสารเมตตาอะไรเพราะท่านทำหน้าที่ชักชวนคุณอย่างที่สุดแล้วนะแต่คุณไม่มาก็เป็นกรรมอะไรพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมของสัตว์นั้นท่านบอกท่านอรัก พระศาอัพระลาหุ่นกับพระเทวทัตเนี่ยเท่าๆกันไมาได้ว่าเราพระลาหุ่นมากกว่าพระเทวทัตไม่ใช่เพราะต่างคนต่างมีบุญมีกรรมมางี้ยเราจะรักก็เท่านั้นเราจะชังก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเราจะ เ, เขาสร้างกรรมอย่างนั้นดราพยายามรักเขาเขาก็ไมด่ดีดีขึ้นเขาสร้างกรรมอย่างนั้นเราจะไปชังเขาเขาก็ไม่ดีดีขึ้นก็เท่าเดิมแต่รักษายใจของเราให้สมุอเสมอนะอันนี้ป็นรูเบื้องต้นทีนี้มาขั้นที่สอง <c oughs> ในวิธีการของพอทุทธยนทําไมเราถึงอาศัยเป็นมรรควิถีเพราะว่ามันเขาเรียกมัลติโฟล์มีดิเทชันกรรมฐานที่อะไรหลากหลายลนะหลากหลายคือมันมีตัวเลือกเยอะอะนั่งอย่างนี้ไม่ได้ก็นั่งอย่างงั้นงวงอย่างนี้ไม่ได้ก็ง่วงแบบนั้นบ้างสงบแบบนี้ไม่ได้ก็สงบแบบนั้นบ้างแต่ถ้าเรามีทางเลือกแล้วเรายังไปแช่อยู่กัไอภาวะที่เราเป็นอยู่ มันก็คุณนาฤทธิ์ใช่ไหมขนาดมีตัวตื่นอยู่เราก็จะไปเรื่องง่วงอย่างเงี้ยช่วยไม่ได้ใช่ไหมคุณนาฤทธิ์ช่วยปลุกเธอหน่อยข้างหลังแส <c oughs> <c oughs> ดงว่าหนักจริงๆใช่ไหมคุณไปนอนได้เลยปะคุณไม่ตรงนั่งให้ม่ว ง, งให้หลวงพ่อดูแล้วกนะัน <c oughs> คุณไปนอนให้สบายนะ <c oughs> <c oughs> ไปนอนให้พอนั่งง่วงในทรมานเพ <c oughs> ราะร่างกายเราไม่พร้อมจะฝืนนะนอนให้สบายตื่นขึ้นมา ก็ทำได้ทั้งวันเลยทีนี้เพราะฉะนั้นร่างกายของเราเราไปฝืนมันก็ยิ่งเป็นโทษนะแต่ว่าดูความพร้อมมันจริงๆว่ามันไม่ไหวเพราะอะไรเราแก้มันก่อนพอแก้แล้วมันมันไม่ฟื้นเนี่ยแสดงว่ามันมีอะไรผิดพลาดบางอย่างเราไปแก้ให้มันถูกเหตุนะนั้นเราจะเห็นว่าการปฏิบัติวิปัสสนานั้นเราจะไม่ทําตามอยากแต่เราจะทําตามความถูกต้อง ความถูกต้องว่าเอออันนี้มันไม่ถูกนะเราก็ไปแก้ให้มันถูกมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งไม่ว่ากายหรือจิตเพราะนั้นเมื่อเราสามารถจัดการได้อย่างนี้แล้วนี่ชีวิตมันไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยแต่ในวิธีการหลวงพ่อเทียนท่านเริ่มต้นด้วยให้รู้จักของสองอย่างนี่จำไปเป็นสูตรไว้เลยนะคืออะไรเริ่มด้ว ย, ยของสองอย่าง กายกับใจใช่ไหมง่ายๆแต่พอไปเรียกกรรมฐานกายกับใจกัรูปกับนามเนี่ยมันใช่คนเราศัพท์คนเรภาษาแต่วความหมายมันต่างกันกายกับใจเนี่ยมันรวมอยู่ในรูปกับนามเช่นรูปได้แก่อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมดงนั้นกายก็คืออยู่ในหนึ่งในหกของรูปเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ากายกับใจเราถูกเพียงเท่าไหร่สิบเอร์เซนเท่านั้นเองใจมันก็มาจาก ร, ร, ร, ร, ร, รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นใช่รเปล่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์คือใจเพราะนั้นใจก็เป็นตัวหนึ่งใน6ตัวเพราะนั้นเราบอกว่าชีวิตนี้คือกายกับใจเราถูกเพียงสิแต่เราบอกชีวิตนี้คือรูปกับนาม 100% เพราะรูปมันหมายถึงตาหูจมูกลิ้นรูปเสียงจิตลดสัมผัสอารมณ์นามหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เนี่ยแต่จริงๆรูปหมายถึงรูปเสียงจิตลดสัมผัสแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายนามมีอันเดียวคือใจท่านั้นเองเพราะนั้นรูปมันมีถึงเท่าไหร่สิอ็ะแต่นามมีอันเดียวรูปกับนาม เราเรียกว่าใจแต่เลือกทั้งหมดแต่รูปทั้งสิบเอ็ดนั้นถ้าไม่มีนามรูปนั้นทำงานได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะรูปนั้นมีนามอยู่ดังนั้นให้รู้ของสองอย่างก่อนว่าให้ตั้งตนด้วยการรู้รูปรูปมีสองลักษณะคือลักษณะที่เป็นรูปประทาดและรูปขันนะรูปประทาดกับรูปขันต่างกันยังไง รูปธาตุหมายถึงธาตุสใช่ไหมดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟดินน้ำลมไฟทํางานโดยธรรมชาติกลไกอย่างถูกต้องแล้วมันก่อให้เกิดอีกสองสองธาตุคืออากาศธาตุกับวิญ ญ, ญาณธาตุตัวอากาศธาตุวิญ ญ, ญาณธาตุนี่เองเรียเป็นเป็นอากาศธาตุเชื่อมต่อระหว่างรูป ก, กับนามพวกเยกันพอมาเป็นวิญ ญ, ญาณก็เป็นนามแต่อากาศเนี่ยเป็นกึง่ง ทั้งรูปทั้งนามนะคาว่าอากาศกับท่านลมเป็นอันเดียวกันกหรือคุละอันท่านลมกับอากาศสถาทธาเป็นอันเดียวกันรหรือคุละอันโอ้นั่นยังยังไมสงสัยอ่าอวันนี้อากาศไม่ดีเลยพวันนี้ลมไม่ดีเลยข้อมาต่างกันไหมวันนี้ไม่มีลมเลยต่างกันใช่ไหมบ้านเรามีลมไหมมีแต่ทําไมาเราไปยอดเขาไปหาอากาศที่ดีบ้านเราลมพัดเรื่อยๆใช่ไหมแต่อากาศไม่ดี เหมินไก่ลุงงาน ท, งทั้งที่มีอากาศนะแต่ทั้งที่มีลมนะแต่ความอะไรสมุกทั้งหลายใช่ไหมพวกหมอกควันทั้งหลายนี่อันนี้ไม่มีอากาศมีแต่ลมเพราะฉะนั้นอากาศต้องหมายถึงออกซิเจนนะอากาศสะานหมายถึงออกซิเจนที่สะอาดแต่ลมนั้นหมายถึงอะไรก็ได้ที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวแต่ลมก็เป็นส่วนประกอบตัวหนึ่งของอากาศ แต่ในที่ไหนมีลมอาจจะไม่มีอากาศแต่ที่ไหนมีอากาศมีลมเสมอเพราะฉะนั้นเราจึงชอบไปเที่ยวที่ไหนชายเข า, เอายอดเขาชายทะเลใช่ไหมก็จะมีออกซิเจนสูงมีโอโซนสูงนั่นคืออากาศเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเชื่อมให้ดินน้ำลงไฟทํางานเราไปจุดไฟที่มีไม่มีอากาศไฟไม่ติดน ะ, ะต้องถ้ามีลมลมพัดดับนะี ในลมนั้นมีอากาศอยู่แต่ว่าในตรงไหนที่มันเป็นสุญญากาศหรืออากาศน้อยเนี่ยในถ้าในอะรลึกที่อากาศน้อ ย, อยก็จุดไฟไม่ติดเหมือนกนนันเพราะอากาศคือเป็นส่วนที่เสริมธาตุดินน้ํำลมไฟให้ทํางานแต่ลมนั้นคือเป็นตัวเชื่อมประสานเฉยๆนะทังนั้นเมื่อรูปกับนามกายกับใจมาพบกันแล้วมันทํางาน เมื่อดินน้ำลมไฟทำงานด้วยาการทำงานของอากาศเป็นตัวร่วมก็ก่อให้เกิดธาตุใหม่เรียกว่าวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุอะไรวิญญาณธาตุธาตรู้นะวิญญาณธาตุคือธาตรู้เพราะฉะนั้นในตัวธาตุทั้งหเนี่ยมันทาหน้าทีา่ทำหน้าที่รับรู้ตามตามปกติแต่ยังไม่มีขันนะ อย่างคนหลับไปเนี่ยมีธาตุครบไหมดินน้ําวงไฟทํางานครบนะถามว่าถ้าเราหลับสนิทไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่ฝันเลยเรามีขันไหมไม่มีรูปประขันหมายถึงความคิดจินตนาการอิมเมจทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นขันนะเพราะฉะนั้นเรียกขันขันเพื่อจะมีห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เรียกว่าขัน รูปรขันเวทนาขันเราไม่เรียกว่าเวทนาธาตุไม่มีนะสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุมีเพิ่มไปเป็นตัวร่วมเพราะฉะนั้นวิญญาณเป็นไททั้งขันและทั้งธาตุวิญญาณในขันกับในธาตุต่างกันไงวิญญาณในธาตุนั้นจะทํางานในอายตนะทั้งหเท่านั้นรับรูตรตรญญร้ตาเห็นเรียกว่าสุดวิญญาณใช่ไหมหูได้ยินแล้วเอ้ยตาเห็นได้ว่าจักหูวิญญาณหูได้ยินเนี่ยหน้าที่ของ จักขุ่วิญญาณวันไหนเราหลับตาตาเราปิดตาเราบอดเนี่ยวิญญาณจักขุวิญญาณยังมีไหมไม่มีแล้วเพราะมันไม่ทำหน้าที่แล้ววิญญาณเอาหายไปหนึ่งดวงเอาหูดวงอีกไม่ได้ยินเลยเลยวิญญาณดวงที่สองดับไปล่ะก็เหลือวิญญาณแค่สี่ดวงนะแล้ววิญญาณก็จะดับวิญญาณท่านจะดับไปก่อนทีละดวงลดวงแต่วิญญาณขันเดือยอยู่ นั่นหมายความว่าตัวที่จะส่งไปที่ต่างๆเช็นว่าเราไปก่อนที่ตายเราห่วงสมบัติคนนั้นห่วงลูกคนนั้นห่วงแฟนคนนี้ห่วงตรงนั้นอันนั้นวิญญาณขันทำงานแต่วิญญาณธาตุเมื่อดับธาตุสี่ดับป้อวิญญาณธาตุก็ดับแต่วิญญาณขันอยู่วิญญาณขันตัวนี้ก็จะไปหาที่ปฏิสนธิเกิดใหม่ตัวนี้จะมาเป็น seeds of life เป็นเมล็เพิดแห่งชีวิตใหม่ต่อไปนะ น, นั้นเมื่อเข้าใจว่าเราจะให้ความสำคัญระหว่างรูปกับนาำเนี่ยระหว่างธาตุกับขันเนี่ยเราควรจะให้สำคัญอะไมากกว่าเพราะขันเป็นที่ตั้งของอุปท า, านแต่ธาตุไม่ได้เป็นที่ตั้งของอุปท า, านใช่เพราะฉะนั้นรู ป, ปูปาทานักขันโทตัวนั้นรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปน ะ, ะรู ป, ปูปาทานัขันโท ขันอันเป็นที่ตั้งคือรูปอเพราะฉะนั้นรูปอุปาทานหมายถึงตัวรูปประขันไม่ใช่รูปประธาปรูปขันหมายก็เราเนี่ยถ้าไม่คิดสําคัญมันหมายว่าเรามีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่สําคัญผิดในร่างกายเนี่ยร่างกายนี้จะรักเป็นไม่ชังเป็นไหมไม่เป็นใช่ไหมแต่ความคิดมันรักเป็นช่างเป็นนั่นคือรูปประขันมันจึงเป็นที่ตั้งของอุปาทานแต่ธาตุไม่ได้เป็นที่ตั้งของอุปาทานพวกหมูม้ากาไก่มันก็มี าธาตุใช่ไหมแต่มันไม่รักไรชังเหมือนมนุษย์นะเพราะมันมีแต่าธาตุแต่มันไม่มีขันยังไงแต่มนุษย์มีขันอ่ะดังนั้นเองอรูปูปรารทานขันโธเวทนาปารทานาานัคขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งความยึดมัน่นคือเวทนาเราไปยึดสุขเวทนาทุกเวทนาเป็นของเราเนี่ยอันนี้เกิดาธาตุเกิดขันละ น, นั้นเราจะบริหารรูปนามเนี่ยให้ ให้ดีดูแลร่างกายให้ใ ห, ให้ดีให้ดูแลธาตุให้ดีเมื่อดูแลธาตุหา้าดีธาตุที่หคือวิญ ญ, ญาณขันวิญ ญ, ญาณธาตุก็ดีเมื่อวิญ ญ, ญาณธาตุดีจะทําไงให้วิญญาณธาตุดีสมบูรณ์โดยที่ไม่มีทุกข์ก็พัฒนาตัววิญญาณให้เป็นเหลือแต่ญาณอ่าให้เหลือแต่ญาณแต่ถ้าเป็นวิน ว, ว, วิวิอยู่แล้วเนะี่ยมัก็จิตของเรามันต้องแยกไปรับรู้ต่างๆ วิจันั่นแปลว่าในที่ต่างๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ไปเอาสิ่งมีครบตาหูจมูกลิ้นกายไปปรุงแต่งมันก็เหลือแต่รู้ตัวเดียวคือญาณแต่เมื่อใดเรารับรู้รูปเสียงสีรสสัมผัสอารมณ์ที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายไปปรุงแต่งมันก็เกิดเป็นวิญญาณตัวอะไรแหละที่จะไปรู้เท่าทันที่จะเมื่อมีการกระทบแล้วไม่ให้เกิดการปรุงแต่งก็คือตัวสติตัวสมาธิใช่ไหม เราจึงมาเจริญตัวสติตัวสมาธิเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบแล้วจบมันก็จะเหลือแต่ยานนั้นในธรรมจักรสูนั่งไว้จักคงอุทัพปิยานังอุทัพปิิขึ้นระดับแรกเลยนะการไม่ได้ธรรมะจักรสู่คือได้ตัวรู้ที่เรามาเรียกง่ายๆว่าตัวรู้นั่นแหละคือตัวยานอันที่หนึ่งละซึ่งถ้าเราไม่วิจัยกันขั้นนั้นเราจึง สงสัยนะใช่ไมเอ๊ะมันมาได้ยังไงอะไรเนี่ยแต่พอเรารู้ที่ไปที่มาอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นละแทนที่เราพูดทเจ้าถึงบอกให้สํารวมสํารวมตามหูมจังหวูลิ้นกายใจเพื่อไม่ให้วิญญาณในขันมาเป็นวิญญาณเพื่อไม่ให้วิญญาณในธาตุมาเป็นวิญญาณในขันถ้าเป็นวิญญาณในขันแล้วมันก็จะไปเกิดไม่วงจรของปฏิสุบาต เพราะอวิชชาก่อให้เกิดสังขารสังขารก็ให้เกิดวิญญาณนั้นวิญญาณจึงเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหมดังนั้นก็เลยต้องระวังสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่เป็นต้นเหตุของทุกข์เพราะวิญญาณเป็นตัวเหตุของทุกข์ตัวหนึ่งในฟังก์ชันที่สามใช่ไหมทั้งหมดมันมีสิบสองฟังก์ชันฟังก์ชันที่หนึ่งคืออวิชชาฟังก์ชันที่สองคือสังขารฟังก์ชันที่สาคือวิญญาณ เมื่อเรามีวิญ ญ, ญาณนะอะไรต้องเกิดตามมาเมื่อเรารับรู้แล้วเนี่ยเราขาดญาณขาดตัวรู้เข้าไปกำหนดใช่มมันก็สร้างวิญญาณก็อให้เกิดไล้นา ม, มาูปอ่าเห็นไหมมาต่อกันเลยก็คือตั้งต้นความคิดหละนา ม, มาูปขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการอันนี้เนี่ยการให้ความสำคัญในการระวังตาหูจมูกลิ้นกเราก็จะมากขึ้น ในการระวังที่จะไม่ปล่อยให้มันสนุกสนานไปกับไอสิ่งที่มากระทบสัมผัสใช่ไหมมันก็จะมากขึ้นแต่นั้นตัววิญญาณของในตะันตกเนี่ยเขาใช้คำว่า conscious เพรานั้นนะ่ะเขาไม่ค่อยรู้จัก aware หรือ mindfulness อะไรเออ aware นี่พอรู้จักแต่ mindfulness แทบจะไม่ work เลยเราไปใช้เออเ้าว่า aware แต่ความจริงไอ้ตัวเนี้ยตัวสติคือตัวรู้ตัวคืออแวร์ตัวมันเป็นตัวรู้ตัวเอาแวร์นี่มากับระหว่างเชื่อมระหว่างวิญญาณกับสติเข้าด้วยกันคือไมฟูเนสคือใจมันเต็มเพราะใจมันเต็มไมฟูใช่ไหมไมฟูเนสความที่ใจมันมาเต็มไม่ดูแยกออกไปทางๆลองหูจมูกลิ้นกายตัวเนี้ยจะไปเป็นญาณตัวเอาแวร์เป็นตัวเชื่อมระหว่างคอนเชกับไม เข้าเดีกันเพราะนั้นอเมริกาทางยุโรปเขาจะใช้รู้จักเอาแวมากกว่าใช่ไหมเพราะไม่ฟู้งเนีน่แทบก็จะสื่อไม่ค่อยได้เลยเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรมในเรื่องนั้นพอเราเกิดมาเราก็เอาแวแล้วใช่ไหมถ้าคนไหนไม่อาแหวะจะเป็นไงหมอก็ตบก้นอย่างแรงเนี้ยเราก็เรียกอูแหวอูแวนี่ะะนะคจริงคือเอาแว่นั่นเด็ฉันรู้ตัวแล้วการมีชีวิตอยู่นั้นต้องทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่ทุกข์ต้องตบให้ทุกข์กับหมอถ้ามันไม่ร้องก็ตบให้ร้อง มันถึงจะว่ามีชีวิตยอยู่จริงเพราะนั้นเด็กก็เลยเป็นสั ญ, ญลักษณ์ตั้งแต่แรกคือเอาแวอาแหวนคความทุกข์อ น, นั้นเวลาเราไปปฏิบัตเิเราจะบอกว่าคอนเสิร์ตแต่หมายถึงว่าตัววิญญาณที่เป็นธาตุเท่านั้นแต่ตัววิญญาณที่เป็นขันเนี่ยสังตะวตันตกแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเรามาใช้สเปรไอ้สปรตของเขาก็หมายถึงเป็นลักษณะโศใช่มที่มีตัวตนอ่า แต่ของเราไม่ไ ม, Spirit, ไม่ใช่ตัวสปิริตหรือตัวโซเราไ่ใช้ตัวคอนชีสนะทางกายทั้งใจเราคนเชสต์ตัวนี้เมื่อมีการพัฒนามีตัวสติเข้าไปมันก็เป็น My Full, My Full มายฟูลไบฟูเนสเข้ามาใช้ตัวนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะมาระวังสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้มันเกิดขันคือหมายความรับรู้ได้ ตารับรู้รูปรูสวยรูปงามได้แต่ไม่จะเป็นต้องปรุงออกมาถ้าปรุงออกมาปั๊บเป็นขันใช่ไหมหูจมูกลิ้นกายก็เช่นเดียวกันสามารถรับรู้รูปรสกินเสียงดาความเป็นจริงได้อย่างรสเนี่ยมาแตะถ้ารู้สึกว่าเอออร่อยชอบเป็นขันหรือยังแต่ถ้ากินไปตามหน้าที่อร่อยไม่อร่อยก็เท่านั้นมันก็เป็นเพียงธาตุชนธาตุแต่เราทาใจอย่างนั้นได้ไหม ได้เดี๋ยวมัยากหน่อยเท่านั้นเองเพราะนั้นเรามาฝึกฝึกเพื่อการทําใจที่จะไม่ไปเสพในความสนุกสนานหรือความอดรรอยากนั่นเองแต่รับรู้สมมุติความอดรรอยเนี่ยมันเป็นโดยธรรมมันเป็นลดโดยธรรมเราไม่จําเป็นต้องยินดีก็ได้แต่ร่างกายก็จะรับรู้ว่า อ, อ, อร่อยก็ทําให้เราทานอาหารได้ใช่มทานอาหารทุกมื้อไม่อร่อยทุกชีวิตชีวาไม่มีชีวิต ช, ช, ชีวะเลยนะไม่มีความหมายเลยชีวิตแต่ท่านบอกให้ รับรู้ความสุขโดยทําได้คือให้พอดีไม่ใช่ว่าออจะยินดีในรูปเสียงขี่รถไม่ได้เลยนะไม่ใช่แต่ให้พอดีให้มันมีพลังของชีวิตเท่านั้นเองแต่โดยส่วนใหญ่มันไอความพอดีเนี่ยมันมันหาจุดพอดียากไงพราะเราคุ้นกับความเกินพอดีมันไม่รู้กี่พบกี่ชาติใช่ไหมหน้าวันนี้เรามาหาความพอดีว่ากินเท่าไหร่ถึงจะพอดีรสอร่อยเท่าไหร่ถึงจะพอดี นะดูเท่าไหร่ถึงจะสนุกสนานแต่พอดีอท่านใช้ได้นะก็เรียกว่าความสุขที่เกิดโดยธรรมแต่ถ้ามันเลยไปกว่านั้นปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความสุขที่เกิดโดยกามไม่ใช่โดยธรรมราธิเนะี่ยโดยกามโดยกามมันกิเลสแต่นั้นเราจึงมาสร้างตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเบื้องต้นก่อนให้ชัดเมื่อรู้สึกตัวเบื้องต้นก่อนในชัดเนี่ยรวมณจุดใดจุดหนึ่งก่อน ตัวรู้ตัวนี้นะถ้าไม่มีที่รวมเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปที่เดิมของมันนะวิ่งไปไหนรูปเสียงกี่รถวิ่งไปที่นั่นแต่ถ้ามันมีที่รวมมาเรามายกมือมากำหนดลมหายใจมากําหนดรู้กวามเคลื่อนไหวมันก็รู้มาที่ตัวตัวปัจจุบันซึ่งเป็นที่รวมของตัวรู้มันอาจจะเป็นอ่า ทั้งตัวก็ได้ให้รู้ทั้งตัวเพราะรวมของตัวรู้ตัวนี้บ่อยเข้าบ่อเข้าตัวรู้ตัวนี้ก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อมีอะไรมากระทบต่างๆงาหูจะมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่วิ่งไป ท, ทันทีมันก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีการกระทบเท่า น, นั้นนะส่วนจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองมีทางเลือกล้ตัวนี้ปัญญาเริ่มเกิดแล้วรู้จักเลือกเป็นหลังจากตัวรู้เกิดแล้วนะรู้จักเลือกเป็นว่าจะตอบสนองแบบไหนแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อกระทบแล้วมีการตอบสนองทันที ลักษณะนี้เราเรียกว่าวิญญาณกลายเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมเรามาปแปล ว, ว่าความเคยชินเห็นปั๊บชอบเลยนีย่ไม่มียาณเหลืออยู่เลยเพราะงั้นน ะ, ะแต่เหลือสัญชาตญาณทุกคนที่ไม่ได้ฝึกฝนนะเห็นอะไรที่มันน่าสวยงามทุกคนก็ต้องชอบอยู่แล้วตามสัญชาตญาณใช่ไหมกลิ่นหอมทุกคนก็อชอบไปแล้วใครบอกว่าไม่ไม่ชอบเนี่ยคนนั้นได้๋ยทุก เกาหาว่าดุกเกาได้โคอกา ว, าว่าไอนี้ผิดปกติ <c oughs> ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นสัญชาติญาณจึงเป็นนีทั่วไปไม่ว่าคนได้สัตว์จึงมีในตัววิญญาณ น, นั่นเองถ้าขาดสติเรียกว่าสัญชาติญาณถ้ามีสติเรียกว่ายานปัญญาถ้ามันยังเป็นกลางอยู่ทั้งสติยังมีเขาเรียกว่าวิญญาณคือมารับทำตามหน้าที่ของมันนะ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาศึกษาปฏิบัติเราก็พยายามโฟกัสตัวรู้เนี่ยให้ชัดเป็นจุดๆไปเช่นเวลาเรานั่งเนี่ยรู้ไหมว่าอ่ะยานเราอยู่ไงคืออยู่ที่รู้สึกนั่งใช่ไหมเรารู้ขึ้นยานเรารู้สึกต่อการยืนเวลาเดินก็กําหนดรู้การเดินไปที่ที่ไหนที่เท้าที่การกระทบใช่ไหมรวมอยู่ณจุดใด จ, จุดหนึ่งชัดๆตรงนี้นมันเริ่มเป็นยานเล็กๆขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเดินไปก็ เหลือหลาไปตามตามผู้เยาะผู้รีกายจมันยังเป็นอะไรอยู่เป็นวิญญาณอันนั้นก็หมายของมพ่อที่จะตอบสนองตามสัญชาตญาณอ่านัตนนิลักษณะความสะพานของรูปประขันกับนามขันรูปประขันกับรูปธาตุทีนี้ในตัวรูปประขันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่จะต้องมีนะที่จะต้องมีสัตว์ทุกตัวมันก็มีขันมีธาตุแต่ว่าขันนี่เฉพาะตัวมนุษย์ แต่ว่าสัตว์ชั้นสูงขึ้นมาอย่างลิงอย่างช้างที่มันรู้ภาษาเนี่ยมันก็เริ่มมีขันเหมือนกันนะ เ, เริ่มมีขันฝึกได้อะสัตว์ที่ฝึกได้อันนี้ก็วิญญาณมันสูงขึ้นมายิ่งวิญญาณต่ําลงไปเป็นสัตว์ชั้นต่ําเนี่ยมันก็จะสนองสัญชาตญาณอย่างเดียวฝึกไม่ได้เลยสัตว์บางชนิดฝึกไม่ได้เลยอย่างไก่เนี่ยฝึกให้มันทํางานอย่างลิง ไ, ได้ไหมฝึกยากพวกเป็นพวกไก่เป็นสัตว์ชั้นต่ําลงไป มันก็กลายเป็นอาหารไปนะสัตชัญถ้าคนไหนค่าสัตชั้นสูงก็บาปกว่าสัตชัญต่ำํำนะบาปมากกว่าอย่างค่าคนบาปมากที่สุดเพราะมันเป็นสัตว์ชันสูงแต่ค่าคนดีก็บาปมากกว่าคนช่วยอีกค่าคนพระอริยะก็ยิ่งบาปกว่าค่าคนดีอีกยิ่งค่าพระอรหันต์ก็เป็นอันตรีตกรรมไปมรรคผลนิพพานไม่ได้เลยเนี่ยบาบมันก็ยิ่งสูงเป็นชั้นเป็นชั้นดังนั้นเมื่อเรามาเจริญสติรู้ว่าเอออันนี้รูปขันธ เป็นสิ่งที่ต้องระวังไม่ให้มันเกิดรูปประคันคือหมายถึงนา ม, มารูปที่เราอิมเมจขึ้นมาใช่ไหมเหมือนเราเราฉายจอปั๊บเนี่ยรูปประคันปรากฏ ล, ละพอคลิกอีกทีหนึ่ง play เพลงไปไงรูปประคันก็ทํางานพอรูปประคันทางานเขาเรียก ว, ว่าอายตนะหทํางานะนะนํารูปก็ให้เกิดอายตนะสลายอาตนะทํางานร่วมกันสลายอายตนะพอมันทํางานร่วมกันมันเพลงแล้วเวิร์กร่วมกันแล้ว ก็เป็นพร้อมที่จะรับการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมที่จะรับความรู้สึกเมื่อความรู้สึกมันก็มีสามอย่างใช่ไชอบไม่ชอบเฉยๆนะเสร็จแล้วสามอย่างนี้ก็ถ้าขาดสติเข้าไปตามอีกมันก็ไอความรู้สึกสอย่างก็พร้อมที่จะเป็นอะไรเป็นตัณหาเป็นตัณหาอยากที่ตอบสนองตามความอยากเรืการมติหา แล้วก็ไม่ตอบสนองตามแล้วตอบสนองทางกายเป็นการวัตาหาตอบสนองทางจิตเป็นภวะวัตหาแต่ถ้าไม่ถูกตอบสนองในทางที่ไม่ถูกเป็นวิภาวะวัตหาเรามันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้นันั้นเราคอยดูว่าตัวรู้ของเราเนี่ยมันถูกแยกไปไหนบ้างถ้ามันถูกแยกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแยกไปรับรู้เฉยๆหรือ แ, แยกไปเพื่อที่จะปรุงชอบหรือไม่ชอบ ถ้าแยกไปรับรู้เฉยตัวรู้ก็ทำตามหน้าที่คือวิญญาณแต่ถ้าไม่มีอะไรมากระทบก็มารับรู้กายกับใจชัดๆมันก็กลายเป็นญาณจนเมื่ อ, อไรขาดสติเข้าไปรับรู้เพื่อตอบสนองก็กลายเป็นอะไรสันชัดแต่ญาณการทำง า, าของธาตุของขันเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องระมัดระวังละตัวสติตัวสมัยะจึงเป็นการช่วย ลดความเข้มข้นของสัญชาิญาณหรือความเคยชินเพื่อที่จะแปลเปลี่ยนให้เป็นปัญญาญาณเพราะนั้นเราก็มาตั้งต้นจเจริญสติจเจริญสัมผัยะให้มากขึ้นเพื่อจะเปลี่ยนตัวสัญชตาตญาณให้เป็นตัวปัญญาญาณแต่ตัวปัญญาญา น, นี้มันก็จะไปรู้เท่าทันการกระทบแล้วก็แยกเลือกในส่วนที่ต้องการใช้ที่จาเป็น อันไหนที่ไม่จําเป็นไม่เป็นประโยชน์มันก็แยกทิ้งได้แต่ถ้าเป็นสัญชาตญาณมันเลือกเป็นไหมมันร่ำบดทั้งดีทั้งเชื่วทั้งถูกทั้งผิดคนทึ่งสุขทุกทุกไงพราะทำตามสัญชาตญาณมากเกินไปถ้ามีปัญญายาณขึ้นมาบ้างรู้จักเลือกเือคนนี้มิตรดีคนนี้มิตรไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็รู้จักเลือกอันนี้อาหารดีอันนี้อาหารไม่ดีรู้จักเลือกเกิดปัญญาขึ้นมาละอันนี้อารมณ์ดีควรจะใช้อันนี้อารมณ์ไม่ดีไม่ควรใช้ แต่ถ้าเราสัญชตาตญาณอารมณ์ไม่ดีเราก็พูดแบบไม่ดีใช่ไหมอารมณ์ดีเราก็พูดแบบดีนี่คือสัญชตาตญาณมันก่อเป็นเหตุของสุขของทุกข์ได้แต่ว่าปัญญายาณมันเลือกในส่วนที่ถูกต้องไม่เอาดีหรือไม่ดีเมื่อเรารู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นความสําคัญของการปฏิบัติและพยายามที่จะปรับตัวรู้โฟกัสตัวรู้เนี่ยให้มันถูกต้อง โดยที่ไม่ไปอยากไม่ไปสำคัญว่าเปนเราเป็นของเราในตัวรู้นี่ตัวรู้คือตัวแสงสว่างมีใครบอกว่าแสงพระอาทิตย์ของฉันนะ่ะคนเดียวเนี่ยคนนั้นไม่ใช่ปกติแล้วใช่ไหมมันเป็นแสงสว่างของคนทุกคนตัวรู้นี้เหมือนกันเป็นของคนทุกคนแต่ถ้าบอกว่าฉันรู้นะมันก็เริ่มมีตัวนามารู้เข้าไปแล้วใช่ไหมแสดงว่าคนอื่นไม่รู้ มันก็จะมีการแยกเกิดขึ้นทันทีเลยนั่นคือเป็นเหตุของทุกข์เพราะนามรูปนะแล้วนั้นในแง่ของการปฏิบัติเราฝึกฝนตัวสติสัมยะให้รู้เท่าทันรูปนามก่อนถ้าเราไม่ฝึกฝนให้รู้ทันรูปนามเราจะไปรู้ทันนามรูปได้ไหมไม่ได้รู้เป็นส่วนทียย่ยากยากรู้ทันรูปนามก็คือรู้ทันเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็ ง, งตึงที่เรามีอยู่เนี่ยให้ชัดๆก่อนรู้ตรงนี้ให้ชํานาญ เมื่อเกิดความชมานาญเกิดเ x p e r i e n c ีนเกิดทักษะแล้วต่อไปนามมารูปบหยาบๆมันก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมความคิดหยาบๆยาความคิดที่มันเป็นเรื่องเป็นราวก็เห็นละอ่าพอรู้รูปนามชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็ยังไปเห็นนามมารูปชัดขึ้นเรื่อยๆ <S <S แต่ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนเนี่ยไอ้การที่จะไปรับรู้ความรู้สึกของรูปนามคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไว้เจ็บปวด เมื่อเพลียอะไรเนี่ยถ้าเรายังรับรู้พวกนี้ยังไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องแล้วจะเอาตัวไหนไปก่อเป็นตัวยานปาัญญาไม่มีตัวก่อแต่พอมามรู้ตรงนี้บ่อยเข้าก็บอกเขามันก่อให้เกิดตัวยานปาัญญาและตัวยานตัวนี้ก็จะไปรับรู้ถึงนามรูปที่เกิดขึ้นในจิตได้เร็วขึ้นพอไปรับรู้ตรงนั้นได้มันก็เลือกแล้วใช่ไหมเลือกว่าจะเอานามรูปดีหรือไม่ดีนามรูปฝ่ายดีเรียกว่ากุศลจิตนามรูปฝ่ายไม่ดีเรียกว่าอากุศลจิตอ่า นำรูปฝ่ายดีเรียกว่าบุญนำรูปฝ่ายไม่ดีเรียกว่าบาปนี่านรูปจะเป็นตัวกลางอยู่ดังนั้นเองถ้าหากว่าเราไม่เกิดญาณปัญญาเราจะเลือกว่านาำรูปฝ่ายดีต้องเกิดกับเราแต่ละเวลาฉันไม่ยอมรับนำรูปฝ่ายไม่ดีเราเลือกได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีตัวเลือกดังนั้นเองการปําเพ็ญตัวรู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันคือเป็นการรวบรวม กำลังของสติเพื่อให้เกิดยานปัญญาและยานปัญญาตัวนี้ก็จะไปมีหน้าที่เลือกอารมณ์ที่ต้องการได้นี่นนี่คือความสัมพันธ์ของมันนะนี่เรียกว่าการรู้รูปนามเพื่อสิ่งนี้ถ้าเรารู้รูปนามแต่เราไม่รู้จักที่จะพัฒนาให้มันชำนาลูปนามรู้ไปทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เ, เพราะใช้ไม่เป็นมงคลเอาซื้อเครื่องมือถืออย่างดีมาให้เราใช่ไเราใช้ไม่เป็น ไม่มีค่าเลยมือถือเท่านั้นแต่มันจะมีค่าเดี๋ว่าเราใช้มันเป็นเราฝึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจเนี่ยเราต้องใช้เป็นค่อใช้เป็นปั๊บโอ้มันทําได้มากขึ้นใช่ไหมทำได้ถูกต้องขึ้นก็ได้ประโยชน์มากขึ้นอันนี้ความหมายของมันถามนิพนธผมไม่ดีดีมากทีเดียวโยมเคยได้ยินคําว่าหมาโรยไหมใช่นั่นแหละ พวกนี้สัตว์ชั้นสูงหมายถึงพวกนี้เคยเป็นคนมาก่อนแล้วมันทำอะไรบางอย่างที่เป็นอกุศลมันเลยไปไปเป็นสัตว์แต่ว่ามันรู้เรื่องมันใช่ไหมโอ้โหสัตว์เอ่อหมาขนลอยเนรู้เรื่องรู้ภาษาอย่างดีเลยนะได้รับการเลี้ยงดูคนจนบ้านเราอีกหลายเท่าเนี่ยค่าเลี้ยงดูมันแพงกว่าทอะไรไ้หมดอะไรได้หมดใช่ไหมนี่คือคือสัตว์พวกนี้เคยเกิดเป็นคนมาก่อนไง พอมันไปกันมันก็ความวิญญาณที่มันพาไปหนุ่มผมมันก็จำอะไรได้มันก็รู้จักอะไรไเร็วสัตว์พวกนี้เรียกว่าสัตว์ชั้นสูงเพราะเคยเป็นคนมาก่อนพวกช้างอย่างช้างกะลิงเนี่ยเกิดอีชาติเข้าเป็นคนนะชาติสุดท้ายของสัตว์ก็คือเกิดเป็นช้างกระลิงเพราะช้างกะลิงเนี่ยผู้ทีเจา้าที่ไปไปอุปถัมภ์ผู้ที่เจ้าเรื่องนี้ยาวนะนต้องว่าเวอร์ชันใหม่นะ <S <S ตอนนี้หมดเวลาแล้ว คำว่าสัมรวมระวังหมายถึงว่าทั้งหประตูเนี่ยคุณมีความสามารถดูแลทั้งหกประตูทีเดียวกันไหมไม่ได้มันจะเหลือแค่หนึ่งหรือสองประตูเท่านั้นนึกถึงยามที่เฝ้าบ้านที่มีประตูเยอะๆใช่ไหมบ้านกว้างเนี่ยระวังไม่ได้ทุกประตูหรอกมันต้องเข้าปไปดูแล่ปูหนึ่งความเผลอมันยังเกิดขึ้นไงแต่ถ้าคำว่าระวังสังวรอย่าให้มันไปรู้ทั้งเฝ้าทั้งหกประตูให้มาเฝ้าประตูเดียวหลวงพ่อท่านท่านกล่าวเปรียบเทียบว่าจองปวกหนึ่งจองปวกใช่ไหม มันมีรูเข้าดูยหกรูอ่าใช่ไหมทีนี้จะไประวังทั้งหกรูมันจับรูนั้นไปออกรูนั้นจับไม่ทันหรอกท่านบอกให้อุดเจ้าห้ารูมาเฝ้าดูรูเดียวมันออกมาก็จับมันตรงนั้นแหละอ่านั่นคือสังวรระวังไว้ถึงอย่างนั้นให้มันออกมารูเดียวสองรูก็ยังทันอยู่ใช่ไห ม, ไมเออก็ระวังแล้วแต่ยังไม่ทันใช่ไหมเพราะมันมันเยอะมาเปิดเยอะเกินไปเปิดประตูเยอะเกินไปให้เฝ้าแค่ระวังประตูสองประตู ช, ะชัดเจนนะยงัง สาธุไปกราบพระพ้องกัน